ผมแล้วแตตั้ใจสำเรนจจิตใจบูชาพระพุทธจา้าคุณค่าที่ดีที่สุดในจักรวาลในธรรมชาตินี้ก็คือจิตใจที่สงบสงบแม้สงบแค่จิตเข้ามาอยู่กับตัวเองได้สงบด้วยสมาธิขับไล่อารมณ์ทั้งหลายออกไปเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุข มีความนึกซึ้งอยู่ข้างน้นถ้าใครสามารถดับดับอารมณ์ทั้งหมดไม่ให้กำกลายเข้ามาในจิตใจได้ก็่งเป็นมีคุณค่าสูงสุดพระไทยของพระพุทธเจา้าสงบเยือบเย็ยนงที่สุดเพราะฉะนั้นการบูชาพระพุทธเจา้าต้องอาศัยจิตของเรา ทำจิตของเราให้สงบให้เยือกเย็นจะ ต, ต้องให้ตื่นตื่นตื่นพร้อมกับกจิตที่สงบแน่วแน่อยู่ข้างในตื่นแล้วก็รู้รู้ด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดถ้าอย่างนี้แล้วก็มีคุณค่ามากแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้ามันสงบลงไปแล้วมันจะซึมซึมลงไปลึกลงไปอันนี้จะกลายเป็นโมหะไป มันจะเพอ้อเพลินแล้วก็หลับไปเพราะฉะนั้นต้องหลังไว้ไม่ให้เข้าไปเพราะการที่จิตมันรวมตัวเข้าไปเนี่ยมันไปเกาะพบเกาะพบชนิดหนึ่งคือรูปภพอารูปภพียังทําให้เวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องไม่ให้มันเข้าไปแบบจมแบบจมไปกาะตัวเป็นภพต้องให้มันรู้อยู่ตลอด จิตที่ตื่นรู้เนี่ยมันจะรู้อนิจจังมันจะเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแต่ถ้าหาว่ามันรวมตัวเข้าไปเนี่ยเหมือนมันพยายามที่จะรวมอนิจจังเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นอ น, นิจจังแต่พอจิตมนรวมตัวเข้าไปมันไม่เห็นอ น, นิจจังอันนี้สำหรับผู้ที่มีความสงบแล้วนะ แต่ถ้าใหม่ๆอยู่จิตยังไม่ค่อยอยู่อันนั้นจําเป็นนะจำเป็นจะต้องเอาจิตไว้ก่อนคุมจิตไว้ก่อนมันก็มีตามจําเป็นอยู่ต้องคุมจิตไว้คุมจิตไว้คุมจิตไว้เอาจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนี่แสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเดี๋ยวมัก็อยากไปเอานั่นอยากไปเอานี่อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันสิ้นสุดไม่เป็นอ่ะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านรู้ความลับตรงนี้ท่านจึงสอนให้สาวกของพระองค์เน่ยสัมรวมจิตคอยระวังจิตคอยรักษาจิตเพื่อที่จะให้รู้เท่าทาันสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้เท่าทาันแล้วไอ้จิตที่มันจะไปเอาเนี่ยมันจะเราจะทันมันทันมันแล้วจะรู้ด้ยวยว่าไปเอาเพื่ออะไรจําเป็นมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทันตัญหาอโอ้อันนี้มันไม่จําเป็นอะไรแต่ทําไมมันยังอยากอยากได้ยิ่นลนอยู่ไม่หยุดหยอด นี่คือตัวตันหาพอเราจับต้นตอเข้ามันได้ตันหาก็ดับความอยากในจิตเราก็ดับไปถ้าเราไม่ทันมันไม่มันไม่ดับอะ่ะมันจะมีความอยากความต้องการอยู่ในจิตมันมีทางเดียวเท่านั้นอะ่ะต้องเจริญสติฝึกจิตของเราเรื่อยไปถ้าหาว่าเราฝึกจิตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย เพราเราทานอากาของจริงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกับว่าเราได้ได้เห็นได้เห็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยเรื่องราวที่มันก่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะการสํารวมจิตจึงมีความจำเป็นแต่สํารวมในทีน่นี้หมายความว่าต้องรู้เป็น จิตเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ต้องรู้ด้วยรู้ตัวตลอดสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่กลัวความไม่สงบไม่ใช่อยากได้สงบแต่มันมีเหตุเราปฏิบัติเราทำเหตุถูกต้องความสงบก็เป็นผลความไม่สงบก็เป็นผลสงบรู้ว่าสงบไม่สงบรู้ว่าไม่สงบตัวรู้ของเราก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้น มันว่างก็รู้ว่างมันเบารว่วเบาโปง่งรั่วโปง่งโล่งรว่าโล่งคือขอให้รู้ไปตามเป็นจริงรู้ไปตามสภาพความเป็นจริงถ้ามันดีใจก็รู้ว่าดีใจพอใจรว่วพอใจมันยินดีรู้ว่ายินดียินร้ายรว่ายิรยนร้ายคือเราไม่เข้าไปแทรกแซงเลยอะ่ะดูเฉยเฉยดูด้วยใจที่เป็นกลาง เพราะนั้นหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามันจึงมีประโยชนเดียวเท่านั้นแหละมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินรไลในโลกนี้เสียให้ได้สรุปใจความสําคัญคือละความยินดียินรไลพยายามไม่ให้จิตเราไปยินดียินรไลกับอะไรเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจึงขับไล่ความยินดียินรไลออกไปเพราะความยินดียินรไลอันนี้ มันจะมากัน้นทำให้เราไม่สามารถเห็นธรรมะได้เพราะนั้นเราต้องมาแก้จิตของเราไม่ให้จิตเราไปยินดียินไล้กับอะไรสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบฟูซ่านก็รู้ว่าฟูซ่านคุเจ้าไม่ให้กลัวอะไรเลยนะดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจมันมีการมราคาก็รู้ว่ามีการมราคะ คือให้รู้สภาพตามความเป็นจริงของมันก็คือรู้กายและก็รู้ใจเท่านั้นและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลที่สุดและก็เป็นที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมาตัดสู่ธรรมตรงนี้ด้วย เราสามารถพา่างกายของเราอัตภาพของเรามาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นที่น่าชื่นชมถึงร่างกายของเราจะป่วยจะไข้แต่กำลังใจของเรามันมีเพราะมันได้พอใจที่ได้มาอย่างสถานที่ตัดสรุของพระพุทธเจ้าวันนั้นเราจรึงสงํารวมจิตใจเราให้ดี ไหุ้ทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชามันเป็นการบูชาที่สูงที่สุดโอกาสที่เราจะมาอย่างนี้ไม่ยากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรามันก็เป็นบรรยากาศของสถานที่ตัส ร, รู้ของพระพุทธเจ้าคนที่เข้ามา เขาคิดว่าทำยังไงแล้วมันดีที่สุดของเขาเขาก็ทำบางคนก็อาศัยการสวดมนต์ไหว้บอนบูชาบางคนก็กราบกราบเพื่อจิตด้วยใจกราบทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาบูชาบางคนก็หาผ้าหาอะไรไปขอเปลี่ยนผ้าผมผ้าให้กับพระพุทธรูป แล้วคุณค่าของธรรมะมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็สำคัญนี่นี่มันมันเป็นการบอกให้รู้ถึงพื้นฐานทางจิตใจบางคนก็คิดว่าปิดทองอแล้วมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ขลังหรือได้บุญมากบางคนก็เอาผ้ามาเปลี่ยนมัหมก็จะได้บุญมาก บางคนก็สวดมนต์ไห ว, ว้บอลได้บุญมากเขาก็ทําไปแต่ถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าทําอะไรพระเจ้ามีพระประสงค์ก็คือให้จิตของเราเบิกบานอิ่มอกมีความสงบมีความสุขแล้วก็นําไปสู่สมาธิสมาธิใจตั้งมั่นแล้วก็นําไปสู่ปัญญาญา ปัญญายาณเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การรู้ความจริงแจ้งแจ้งเจ้กระทงจิบท อ, อนอุปทานทอนอุปทานทอนอุปทานทอนอุปทานหมดจดสิ้นเชิงบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นการกระทำต่างๆก็เป็นบุญทั้งหมดแต่บุญมากบุญน้อยก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็บ่งบอกให้รู้ว่า จิตของแต่ละคนมีความลึกซึ้งทางธรรมะของพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนบางทีเราถ้าหากว่าเราเดินลอมๆเราก็จะเห็นเขาเอาศีรษะไปถูไถใต้พระพุทธรูปที่อยู่ตามผนังเพราะเขาคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วได้บุญมากเหมือนเขาเอาตัวของเขาไปไหว้วนไปบีงวอนไปอ้อนวอน ต่อพระพุทธลูกเพราะเขาคิดว่าพุทธลูกเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆมันไม่ใช่ตรงนั้นมันสำคัญอยู่ตรงจิตของตัวเองเนี่ยจิตของเรานี่จิตของเรานี่ถ้าจิตของเรามันสามารถกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้ความทุกข์มันก็เบาบางลงไปนะเพราะจิตของเรามันจะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลาย ปล่วางเรื่องราวทั้งหมดแล้วจิตมันก็จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขมันอยู่ที่จิตแล้วการที่จะไปทําเอาศีรษะไปถูไถหรือว่าเอาเหรียญไปโยนที่นั่นที่นี่หรือปิดทองตัวนั้นตรงนี้มันก็จะหมดไปเพราะมันหมดความจําเป็นมันเป็นสิ่งที่มันตามมาทีหลังเพราะคนคิดขึ้นมา คิดขึ้นมาว่าทาอย่างนั้นทํานี้แล้วจะดีจะได้บุญมากมันก็คิดขึ้นมาแล้วก็ทํากันไปแต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเข้าใจก็คือว่ามันเป็นระดับระดับจิตของแต่ละคนว่าทำอย่างนั้นได้บุญแล้วบุญคืออะไรอ่ะมันก็ต้องตามไปให้ถึงว่าพระเจ้าเนี่ยสอนว่าบุญคืออะไรบุญคือการชำระจิตบุญคือเครื่องชำระจิตชาระจิตคือยังไง จิตของเราเคยรุ่มร้อนมันความรุ่มร้อนหายไปจิตของเราเคยเกี้ยวกราดโกรธเคืองความโกรธเคืองหายไปแล้วจิตเราเคยหนักมันเบาแล้วจิตเราเราเคยเศร้าหมองมันเบิกบานขึ้นมาแล้วนี่คือบุญบุญที่แท้จริงก็คือจิตเราเองถ้าเราไปทําอย่างนั้นแล้วจิตเราเบิกบานขึ้นมาได้ก็ทําไปเพราะมันก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่สําหรับคนที่เขาสุดจิตมากพอแล้วก็คือสามารถ ที่จะอยู่กับกจิตได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้มันก็เลยไม่ต้องสร้างภาระอะไรขึ้นมาการที่เขาทำบุญทำอะไรอย่างนี้ถ้าดูตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เพื่อให้จิตมันเบิกบานมันอิ่มเอิมันสงบมันมีความสุขแล้วก็เพื่อเป็นสมัยแล้วฝึ ก, กจิตสมาธิฝึ ก, นกจนจิตตั้งมัน่นรู้ความจริง มันยิ่งจะปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงได้จากนั้นจิตมันก็จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีทุกข์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปทำพธิธีกรรมต่างๆมันก็ยังห่างไกลมากเพรวเป้าหมายก็คือการฝึกจิตให้จิตรู้ความจริงแล้วปล่อยวางแล้วถ้าตามดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสรุอะไร จเจ้าวตัดสรู้อะไรท่านมาตัดสรู้ที่นี่แหละแล้วตัดสรู้อะไรท่านตัดสรู้ก็คือเห็นทุกศสพรพสิ่งเป็นธรรมชาติหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องในจิตใจเนี่ยกระบวนการก่อเกิดทุกในจิตของแต่ละคนเนี่ยผู้จเจ้ารู้หมดเลยรู้ไปจากจิตนี่แหละโดยเฉพาะเวลากระทบอารมณ์นี่สําคัญที่สุดเลย ว่ากระทบอารมณ์มันจะมีผัสสะผัสสะเกิดขึ้นผัสสะนี้จะทําให้เกิดเวทนาผัสสะนี้จะเกิดเวทนาเวทนาก็จะมีสุขมีทุกข์สุขทุกข์แต่ทําให้เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นแต่มันรวดเร็วมากเลยนะแล้วก็จะแสดงออกไปเนี่ตรงนี้เราสําคัญถ้าสามารถทันผัสสะได้ปุ๊บ ก, กระทบปั๊บเห็นจิตของเราก็เกิดมีอาการอะไรเกิดขึ้น เรารู้ทันตั้มมันจะดับเพราะทุกอย่างมันเกิดจากจิตถ้าเรายังไม่ทนันแสดงว่าการฝึกฝนจิตเรายังน้อยอยู่โอกาสที่จะเกิดทุกข์ก็ยังมีมากทุกในจิตเรามันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเรายัางตามจิตเราไม่ทนันเราตามเรื่องราวของจิตไม่ทนันไอ้จิตของเรามันก็จะแสดงปฏิกริยาไปตามอานาจของพวก อารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะทมร่องรอยของพุทธเจ้าก็มาฝึกจิตตัวเองต้องมาฝึกจิตตัวเองถ้าพุทธเจ้าตัดสรู้ก็ตัดสรุที่จิตไม่ได้ตัดสรุที่อีกในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกลักตัวเองห่วงใยตัวเองมาก คือเขาเรียกว่ามีอัตตาหรือว่ามีพวกอวิชชามันหลงหลงว่ามีตัวมีตนมีตัวเรามีของเรามีคือตัวอวิชชาเมื่อวิ ช, ชามันก็มีตัณหาตัณหามันก็อยากให้เรามีความสุขแต่เรารู้ไม่ทันมันก็เลยเป็นตัณหาถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่าน ง, งสอนให้มีปัญญา มีปัญญากระ่องรู้ธางจิตของตัวเองแล้วก็เข้าใจระบบของธรรมชาติทั้งหมดเพราะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านจึงรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากทำของพระ อ, องค์เนี่ยจนพระ อ, องค์เนี่ยมีความขวนขวายน้อยคือไม่อยากสอนนะเพราะว่ามันยากโมีใครนะจะมารู้ได้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเหลือเกินนะ่ะมันอยู่ในจิตนะ่ะจนกระทั่งมีผู้มาอาธนา ให้แสดงธรรมผู้มาลาธนาก็เป็นพรหมซึ่งเป็นอนาคามเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วก็รู้วาลาจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านึกจะโค้นควายน้อยปั๊บเขาก็โ อ, โ, อโลกเราสิ้นพายแล้วโลกเราแย่แล้วสัตว์โลกก็แย่แล้วไม่มีที่พึ่งแล้วตัวเองด้วยตัวเองด้วยตัวเองก็เป็นอนาคามีก็ยังต้องฟองธรรมอะไร ก็รีบลงมาอราธนาให้ทรงแสดงอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าตักสรู้แล้วก็ต้องมีผู้มาอราธนาให้แสดงมรนก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะได้ตรวจสอบดูเออจริงมีผู้ที่จะพอรับฟังธรรมะของพระองค์ได้ระพุทธปฏิบัติตามได้เหมือนพวกเรานี่ก็เหมือนกัน เป็นเวนายะสัตว์เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากมีกิเลสในใจเบาบางจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าวพาธรรมสง์แล้วก็ดันดลมาจนถึงที่ตัศนุของพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงแล้วเราต้องสำรวมจิตให้ดีเขามาดูจิตเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเข้าใจเรื่องจิตของตัวเองดูสิธรรมชาติของจิตเนี่ยมันลึกซึ้งมาก ในงั้มันจะก่อเรื่องก่อราวก่อปัญหาขึ้มนมาในจิตราพอมันก่อเรื่องก่อราวขึ้นในจิตแล้วมันจะออกมาเป็นคําพูดแล้วมันก็จะออกเป็นแสดงออกทางวาจาทางกายกรรมของเราก็สมบูรณ์แบบมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแล้วเราก็ต้องไปเสวยผลกรรมเหล่านั้นเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด พรเมื่อมาตรงนี้แล้วเราก็มาทบทวนธรรมะของพระพุทธเจ้านี่งพระเจ้าท่านตัดสรุปก็คือรู้ความจริงว่าจริงๆไม่มีเราคือสุดท้ายจริงๆไม่มีเราเลยร่างกายนี้เป็นของที่จะต้องแตกดับสลายไปทุกคนนั่งอยู่นี้ก็ต้องตายกันทั้งหมดเลยยึดไม่ได้ร่างกายต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์สูงสุดก็คือมาปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองมีประโยชน์สูงสุดแหละและส่วนจิตใจล่ะเมื่อจิตใจของเรายังมีอวิชชาอยู่มีความหลงหลงว่ามีตัวเรามีของเรามันก็จะมีตัณหาตัณหาที่อยากให้เรามีความสุขทุกคนเนอยากมีความสุขทั้งนั้นแหละก็เลยไปทําตามหน้าของตัน บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเหรอได้ถ้ารู้เท่าทันตัณหาตัณหาดับมันก็จะกลายเป็นวิ ช, ชาทําด้วยปัญญาทําด้วยปัญญานี่จะเบาทีโปร่งโล่งเบาสบายไม่มีปัญหามันมีปัญญาอยู่ตลอดรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเพราะการมาของเราเนี่ยถ้าใครสํารวมจิตใจได้สามารถที่จะเข้าใจ พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าดังว่าพระองค์เนี่ยสิ้นพบสิ้นชาติตรงนี้เองตรงที่ตัสรู้รู้ความจริงสูงสุดว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราได้ไม่ยึดแม้กระทั่งความรู้สึกความนึกความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยทิ้งหมดปล่อยหมดวางหมดไรโพหน้าโพตามาเป็นตัวเราเป็นของเราทิ้งหมดปล่อยหมดวางหมดเพราะนั้นเราหน้าที่ของเราก็สังเกตดู เฝ้าดูไปขณะที่เราเฝ้าดูไอตัวจิตเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการต่างๆเกิดขึ้นไอปรากฏการต่างๆเกิดขึ้นนี่เป็นแค่สภาวะธรรมสภาวะธรรมหมายว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติถ้าจิตของเราไปตีความหมายไปให้ความหมายนี่คือจิตของเราเริ่มแสดงอาการออกมานะเราต้องรู้ทันทอรจิตของเราต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้ง เพราะสภาวะธรรมนี่มันเป็นกลางๆมันไม่เป็นอะไรเลยมันเกิดขึ้นมนไปอย่างนั้นเองอะ่ะเราแค่ดูเฉยๆดูเฉยเราก็จะเห็นธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกอมันเกิดแล้วกระดับอย่างนี้เองเกิดแล้วกระดับก็อย่างนี้เองมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นในจิตของเราไอ้ที่เราทํายากๆคิดว่ามันยากๆมันก็เลยกลายเป็นง่ายไปแค่ไม่เอาจิตของเราไปผูกกับมันไปยึดติดกับมัน อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามไม่น่ามีตัญหาเราแค่ดูเฉยๆนี่แหละที่ว่าไม่ยินดีไม่ยินลายหลักธรรมของเจ้ามันเป็นตรงนี้พยายามให้เต็มที่ให้ตื่นนะให้ตื่นนะพยายามตั้งสติดีๆเลยให้ตื่นตัวสติมันทาให้จิตตื่นสมาธิทําให้จิตแน่วแน่ปัญญาทําจิตเห็นความจริงถ้ามันเห็นความจริงแล้วจิตมันจะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวา ง, ป, วางปัญญานี่แหละมันจะทําให้จิตเราลุกคลนเตนะ็มอ่ ในเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ดับภพบดับชาติหมดจดแล้วเราต้องเดินตามทางของพระองค์ไปถ้าสิ่งนี้ไม่ประเสริฐพระองค์ก็คงไม่สร้างบารมีเพื่อจะจับถา ร, รู้สิ่งนี้ดังแสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดมีคุณค่าที่สุดสูงที่สุดแล้วทีนี้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องเพียรแล้วก็พยายามพุทธปฏิบัติเพื่อเดินตามทางของพระองค์ไป อย่างน้อยก็มีความหวังละว่าพบชาติของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วตรงไปนี้ก็จะหยุดใ น, นสมาธิกันสัก20นาทนีเปียนตัวนะเปียนตัวนะไอบูชาพระพุทธเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะบูชาพะพุเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลย บูชาที่สูงที่สุดก็คือดับความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราถ้าใครทำได้อย่างน้อยก็สงบสงบเข้ามามีภายใน ร, รู้สึกตัวทั่วรอบแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นขอเราดูเฉยๆดูเฉยๆสับตะวันแล้วก็ ก็โหสิกรรมด้วยนะโหสิกรรมอื่ก็ได้เนาะแล้วก็ทางพันิทานแล้วก็อุทิศบุญนะวันนี้พอเพีนี้นะเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนสัก3ามรอบนะัะเดินประทักษิณ น, นะสัก3ามรอบ